177ลิชฉชวีวัตถุว่าด้วยเจ้าลิชวี289พวกเจ้าลิชวีชาวกรุงเวสาลีได้ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงโกติคามแล้วจึงให้จัดยานพาหนะคันงามขึ้นยานพาหนะคันงามมียานพาหนะคันงามหลายคัน เสด็จออกจากกรุงเวสาลีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าลิชวีบางพวกเขียวคือทรงมีสีเขียวทรงพัดสีเขียวทรงเครื่องประดับเขียวเจ้าลิชวีบางพวกเหลืองคือทรงมีสีเหลืองทรงพัดเหลืองทรงเครื่องประดับเหลืองเจ้าลิชวีบางพวกแดง คือทรงมีสีแดงทรงพัดแดงทรงเครื่องประดับแดงเจ้าลิชวีบางพวกขาวคือทรงมีสีขาวทรงพัดขา ว, ท ร, ขาวทรงเครื่องประดับขาวครั้งนั้นหญิงอาเมืองชื่ออัมพปาลีทำให้งอนรถกระทบงอนรถแอกกระทบแอกล้อกระทบล้อ เพลากระทบเพลาของเจ้าฤทธิ์ฉวีหนุ่มๆลำดับนั้นพวกเจ้าฤทธิ์ฉวีเหล่านั้นจึงได้ตรัสกับหญิงงามเมืองชื่ออำพะปาลีดังนี้ว่าแม่อำพะปาลีเหตุไนเธอจึงทําให้งอนรถกระทบงอนรถแอกกระทบแอกล้อกระทบล้อเพลากระทบเพลาของเจ้าฤทธิ์ชวีหนุ่มๆเล่านางตอบว่า พระลูกเจ้าทั้งหลายมอมฉันได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าฤาวีทั้งหลายตรัสว่าแม่อัมพปาลีเธอจงให้พวกฉันถวายพัฒ ต, ตาหารมือนี้ด้วยทรัพย์หนึ่งแสนกะหาปณ ะ, ะเถิดนางตอบว่าพระลูกเจ้าทั้งหลาย ถ้าแม้พวกท่านจะประทานกรุงเวสาลีพร้อมกับชนบทหม่อมฉันก็จะให้พวกท่านถวายพระตาหารมือนี้ไม่ได้เจ้าฤิชวีทั้งหลายทรงดีดองคุลีตรัสว่าผู้เจริญทั้งหลายพวกเราแพ้นางอัมพปาลีเสียแล้วผู้เจริญทั้งหลายพวกเรา แพ้นางอัมพะปาลีเสียแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายเราภิกษุที่ไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึง ก็จงดูบริษัทเจ้าลิชวีจงพิจารณาดูบริษัทเจ้าลิชวีจงเทียบเคียงดูบริษัทเจ้าลิชวีกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีเสด็จขึ้นยานพาหนะไปตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วเสด็จลงจากยานพาหนะดำเนินไปด้วยพระบาท เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้าลิจฉวีผู้ประทับนั่งณที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ า, ลาปลอบฉโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาลำดับนั้นพวกเจ้าลิชวีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้วกลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกระถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาค พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับโภชนาหารของพวกข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาตมารับนิมนต์ฉันพัตตาหารของหญิงงามเมืองชื่ออมพปาลีไว้เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้แล้วลําดับนั้นพวกเจ้าฤทธฉวี ทรงดีดองคุลีตรัสว่าผู้เจริญทั้งหลายพวกเราแพ้หญิงงามเมืองชื่ออมพปาลีเสียแล้วผู้เจริญทั้งหลายพวกเราแพ้หญิงงามเมืองชื่ออมพปาลีเสียแล้วทรงชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโกติคามตามอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางนาธิกาคามทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระตำหนักตึกในานาธิกาคามนั้นคืนนั้นหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี สั่งให้จัดเตรียมโภชนะาหารอันประนีตในสวนของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัะการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปที่จัดเลี้ยงของหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี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 หญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีผู้นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันขอถวายสวนมะม่วงนี้แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หญิงงามเมือง ชื่ออัมพปาลีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสน ะ, สะเสด็จไปทางป่ามหาวันทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูดาคารสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้น ลิชวีพานวานที่สาม